ส่งเคราะห์ให้ตายการุญยาฆาตกับเมตตามรณะบาปหรือไม่เรื่องนี้หมอต้องอ่านมีคำถามว่าหมอเห็นว่าคนไข้เกิดทุกขเวทนามากเกิดเมตตาช่วยส่งเคราะห์ให้คนไข้าตายจะได้ไม่ต้องทรมานการกระทำของหมอจัดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาป หลวงพ่อเมตตาตอบไว้ว่าการทรมานเป็นผลกรรมของเขาแต่การที่เขายังมีชีวิตอยู่ไปทำเขาให้ตายคือการฆ่าเขาบาปถ้าหากเราจะมีอะไรที่เป็นยาช่วยระงับความทุรนทุรายเขาได้เราเจตนาจะให้เขาสบายแต่อย่าไปนึกว่าจะช่วยให้เขาตายตายไปแล้วเขาจะได้พ้นทุกมันอยู่ที่เจตนา ไม่แน่นักคนไข้ที่เข้าห้องดับจิตแล้วยังฟื้นขึ้นมาญาติของหมอวิยาดาไปป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะลำไส้อยู่อเมริกาให้เลือดเข้าไปเท่าไหร่ก็ไหลผ่านไหลผ่านหมอฝรั่งบอกว่าไม่มีทางจะช่วยเหลือคุณได้แล้วไปตายที่บ้านเสียพอแกได้ยินอย่างนั้นจิตแกก็ปล่อยวางหมดอา้าวตายก็ตายมันคล้ายๆกับว่ามันช็อกไป แกว่าแต่เสร็จแล้ววิญญาณจิตไปลอยอยู่เหนือร่างกายนนพอหลังจากนั้นมาประมาณสองชั่วโมงแกฟื้นขึ้นมาแกบอกกับญาติว่าหายแล้วกลับบ้านเถอะแล้วก็กลับมาบ้านเพราะหมอเขาไม่รับรองแล้วพอกลับมาก็หายวันหายคืนจนกระทั่งมาเมืองไทยได้พอมาลงสนามบินปับ๊บ หมอวิยาดาก็ไปรับเขาก็ถามว่ามีพระที่ไหนที่พอจะแก้ปัญหาข้อข้องใจของฉันได้บ้างหมอก็บอกว่ามีแต่หลวงพ่อของฉันอยู่โคราชอ้าวถ้างั้นให้เด็กคนของกลับบ้านรอไปกันเดี๋ยวนี้มาถึงที่เนี่ยตีสองทีนี้พอแกเล่าเล่าให้ฟัง หลวงพ่อก็เอารูปที่พิมพ์ในหนังสือนั่นมาให้แกดูเป็นรูปที่หลวงพ่อขอให้เขาวาดภาพตอนที่หลวงพ่อภาวนาหัดตายตอนป่วยเป็นวรณโรคแล้วจิตทิ้งกายมองเห็นกายตายเน่าเปื่อยผุพังสุนสลายไปในที่สุดแกก็พลิกดูไปพลิกดูมาของผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันผมไม่ได้ภาวนาเลยทําไมผมจึงเป็นได้ก็เลยบอกว่ามรดกเก่าของคุณมีอยู่แล้ว โอ้ถ้างั้นผมภาวนาดีกว่าแกไปทำงานกับพวกศาสนาคริสแกก็เลยลาออกเลยไม่ไปทำงานกับพวกนั้นที่เห็นได้ง่ายๆก็คุณยายหญิงเป็นโรคหัวใจแล้วเกิดช็อกมาตั้งแต่ลําตะคองนอนทนพอมาถึงก็ส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลหมอผาแหนกหัวใจ ตั้งแต่หมอระดับหัวหน้าจนกระทั่งปลายแถวมาจับจับชีพจรแล้วก็เดินหนีเดินหนีหลวงพ่อถามว่าคุณหมอมีทางพอจะช่วยเหลือได้ไหมหมอก็เดินหนีถามสองทีสมทีหลวงพ่อก็บอกว่าขอโทษนะคุณหมออย่าหาว่าพระล่วงเกินหมอถามกลับว่าท่านจะทําอะไรหลวงพ่อก็บอกว่าจะลองใช้ปัญญาของหลวงพ่อดู ก็ไปนั่งข้างๆกำหนดจิตวนเวียนอยู่บริเวณหน้าอกอีกสักพักหนึ่งหายใจะระวยะระวยขึ้นมาพอเสร็จแล้วคนไข้ก็พูดออกมาว่าอยู่ที่ไหนนี่พอหมอได้ยินก็รีบกุลีกุจอมาช่วยพอเสร็จแล้วแกก็ฟื้นขึ้นมานอนโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนเช้าจนกระทั่งถึงบ่ายก็กลับวัดได้ที่หลังมาเกิดไม่สบายขึ้นมาก็ถามว่า ไปโรงพยาบาลไหมแกตอบว่าไม่ไปลุงพ่อก็เลยได้เรื่องเทศให้หมอฟังบอกว่ารักษาคนไข้ต้องสอบดูประวัติเขาด้วยว่าเขาเคยเป็นนักสมาธิภาวนามาหรือเปล่าคนที่ทำสมาธิถ้าเขาภาวนาเป็นจริงๆพอจิตมันวิตกว่าเขาจะตายเท่านั้นจิตมันวิ่งเข้าสมาธิทันที มันเข้าไปอย่างละเอียดจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่มีร่างกายตัวตนทีนี้มันก็ทิ้งร่างนอนเฉยชีพจรมันก็ไม่เดินอะไรก็ไม่เดินกรณีหลวงพ่อท่อนหลวงพ่อท่อนนี่จิตหลวงพ่อท่อนนี่ยังไม่เลิกเที่ยวในช่วงที่เขาวางยาสลบมันไปสารพัด ส, สารเพที่มันจะไป ถ้าหากว่าจิตเคยเดินอยู่ภายในกายนี่พอออกจากร่างไปแล้วมันจะย้อนมาดูร่างกายดูอยู่นั่นแหละมันไม่ไปไหนในขณะที่วางยาสลบนั่นนะ่ะจิตของท่านไปทุกโหนทุกแห่งไม่มีที่หมายไม่ทราบว่าไปที่ไหนบ้างแต่รู้เพียงแต่ว่ามันไปแค่นั้นท่านสลบไปนานหกชั่วโมงหลวงพ่อบอกกับหมอว่าพระที่ทสมาธิภาวนาเนี่ย บางทีอาจจะฟื้นช้ากว่าคนธรรมดานะเพราะพอท่านรู้สึกว่าท่านจะเป็นอะไรแล้วจิตมันจะวิ่งเข้าสมาธิถ้าสมาธิยังไม่ถอนหรือวิญญาณจิตยังไม่กลับคืนมาสู่ร่างท่านจะไม่ฟื้นอย่างน้อยก็ประมาณสักหกชั่วโมงบางทีก็เป็นวันหรือหลายวันอย่าเพิ่งฉีดยากันเน่านะเดี๋ยวจะฆ่าพระโดยไม่เจตนา ปกติคนไข้ธรรมดาอย่างช้ามันจะเพียงแค่สามชั่วโมงส่วนใหญ่สองชั่วโมงก็ฟื้นแล้วกาหนดยาเขาอยู่เพียงแค่สองชั่วโมงอันนี้ท่านเล่นเสียตั้งหกชั่วโมงหมอรุ่นน้องก็ทุรนทุรายแต่ว่าหมอใหญ่เขาได้ฟังหลวงพ่อพูดเอาไว้แล้วหลวงพ่อพุทธท่านว่าไม่เป็นไรเวลาเนี้ยท่านกำลังเข้าสมาธิจิตของท่านยังไม่ถอนท่านก็ยังไม่ฟืน้น ทีนี้พอถึงหกชั่วโมงปับ๊บท่านก็ฟื้นขึ้นมาผู้อำนวยการเขาก็ว่าโอ้ยถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่มาเตือนไว้ผมเอาเข้าห้องฉีดยากันเน่าแล้ว